Mm. -hmm. เข้สภาวะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคลิปต่อครับไม่อาจเกิดด้วยการพิจารณาเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นแคสเป็นกรณีได้ครับทนี้ในองคการวิทยาศาสตร์รู้กันแล้วครับว่าศาสตร์แขนงต่างๆในองคการาวิชาการนั้นบกพร่งองตรงนี้ครับคือมันศึกษาเป็นกรณีเกินไปแยกแยะรู้จริง ร, ร, รู้ลึกในเรื่องเดียวสิ่งสําคัญคือสภาวะธรรมนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันได้อย่างไรจริง ความรู้ที่เกิดกับพระพุทธองค์หรือผู้รู้นั้นเกิดจากการตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากการคิดสะสมข้อรู้นะโดยวิธีตักกะหรืออนาลิติกภาษาอังกฤษก็กใช้คํานี้นะครับซึ่งนัพากพิจาราถนัดที่จะใช้ลองยื่นเรื่องหนึ่งให้กับนับพากพิจาราเขาจะคิดออกมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวกับการศึกษาเกรณีครับถ้าทําอย่างนี้นะอย่างดีที่สุดก็กลายเป็นจิตวิทยาเท่านั้นสมมติว่าผมหยิบขนมปังขึ้นที่นาว่า มไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมคิดได้ตรงนั้นผมก็คลายความยึดถือต่อขนมปังนี้ได้เป็นกรณีหนึ่งแต่แล้วผมไม่เข้าใจสภาวะทั้งหมดว ม, มันสัมพันธ์กันอย่างไรถ้ไปไกลกว่านั้นนะครับเที่ยงก็ไม่มีครับไม่เที่ยงก็ไม่มีครับผู้ที่กล่าวโลกนี้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะผู้ที่กล่าวโลกนี้ไม่เที่ยงก็เป็นครับไปสำรวจดูในในข้อิยามที่เจ้าวางไว้ให้ดี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 คนก่อนหน้าพุทธกาลนี่เขาก็ปฏิบัติกันอยู่นะแต่วันที่พระเจ้าประสบยานที่เรียกว่ายานเดียวนะครับผ่านช่วขณะจิตเดียว น, นี้เป็นเรื่องยานมากครับพวกเราส่วนใหญ่ผ่านโรงเรียนหรือระดับมหาลัยมาบ้างแล้วนะครับเราถนัดการสะสมข้อรู้เราเรียนรู้แบบสังสมสารฝรั่งใช้คำกราดดวลคือพัฒนาทีละขั้นทีละตอนเหมือนว่าชั้นปหนึ 1, ่งปสปสี่ก็รู้รู้มากกว่าปหนึ่งสี่เท่าอะไรเงี้นะ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 คนที่บวชใหม่นะครับท่านสัส่พริยายกหวยหลานเตือนพระภิกษุลูกสิษ์ท่านว่าถ้าเธอผู้เดินทางทางนี้แล้วเนี่ยยมินคนมาใหม่กันเลยขาดคิดว่าโอ้ยนี่เพิ่งเรียนชั้นประถมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเด็กบางคนโดยธรรมชาติของเขาหรือว่ามองในแง่รีลับผ่านทางภบชาติก็ได้นะครับเด็กบางคนเกิดมามีอารมณ์น้อยจิตใจดีงามนะมีสติยเยอกเยน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 สภาวธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในชั่วขณะจิตเดีวยวได้โดยหลักชั้นสูงแล้วนะอริยสัจสี่นั้นผู้ที่บรรลุอริยสัจสี่เห็นหรือมีเห็นภายในจิตเดีวยวครับลองไปคนดูถ้าเชื่อมั่นในตํารานะ<ม>แผมคิดว่าสิ่งนี้แม้ไม่อิงบนตํารานะครับ<ม>คนผู้ไม่รู้มีความรู้อะไรเลยเป็นชาวไร่้าวสวนสามารถเข้าใจชีวิตได้เหนือกว่ารัทมนตรีคนมันนอกพ้องนาเนี่ครับเพราะว่าจิต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 ไม่มีอะไรเจืวพนเลยทาตุแท้ของมนุษย์จิตใจของมนุษย์มีทาดรู้เป็นแก้วประจำประจําใจของเราคนะรับพเดษจะมีบทมนตราที่สําคัญไหครับโอมมณีปัตเมหุลขอน้อมน้อมแต่ดวงมณีที่อยู่ในดอกบวัวใจของเราเป็นข้อคําที่จงและลึกซึ้งมากนะครแต่แม้กระนั้นชาวทิเบตก็งองงายเอามาใช้เป็นเวทมนต์คาถ า, ถากันปีกันสางไว้ตามเรื่องครับไอ้นั้นอั น, นีน้กเรื่องนึง การภาวนาในทีุดนะครับในช่วงหลังนี้ผมอยากจะประมวลสรุปว่าคือการเคาะประตูใจการไขความลับทางจิตใจและความลับนั้นถูกห่อหุ้มไปด้วยกระแสความคิดซึ่งหลายกระแสเหมือนกับว่ากระเทียมหรือหอมนะครับหรือกาบกล้วยเพราะวาความคิดเป็นสังขารนันมันเมื่อเราเปิดชั้นหนึ่งเจออีกชั้นหนึ่งครับเมื่อเราภาวนาไปดีๆ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 แต่จุดเริ่มต้นจริงทีงอ่อเผชิญหน้าตัวเองอาจจะต้องตั้งคําถามแต่ย่านานนักครับเมื่อความหวังวาดโครงการว่าดได้ก็แต่อยานานนะักมันจะเสียแรงเปล่าตั้งคำถามว่าทําไมเราจึงเป็นธาตความคิดมันเริ่มระดมสังเกตเข้าไปข้างในครับแต่ในขณะนั้นความคิดก็ยังตอบโต้แต่เราอย่างรุนแรงอยู่นะแต่ถ้าไม่ถอยผมใช้คํานี้นะครับ เอาชีนเดิมพันธ์คาเป็นเดิมพันธ์ม่นจะเป็นตรงกลนหัวออกบวชนะผมขอโทษด้วยที่พูดตรงๆนะําว่าเดิมพันธ์คือเอาความจริงใจครับมาเป็นต้นทุนเลยคนระับคือเราปรารถนาจะพ้นทุกคําถามถัดมาคือเราอยากคนทุกข์จริงหรือเปล่าศาสนาของผู้เจ้านี่ท้าทายคนอยากคนทุกข์นะแต่ไม่ไม่เล่นด้วยคนอยากมีนิดเลยคนอยากหายตัวได้ผมก็เล่าขำๆว่าผมเองเริ่มต้นในการอยากอยากรู้ใจคนคนระับ อยากอ่านจิตก็เนื่นอยนอนไม่เคยเฉลียวใจว่าพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยตรงเนี้ผมว่าสําคัญนะถ้าว่าเราต้องการพ้นทุกข์จริงนะความไม่ทุกข์นี่ยมันมีอยู่แล้วในเราครับถ้ามันไม่มีเราเป็นคนไม่ได้เลยครับเราจะทรงอยู่นี้ไม่ได้แต่ถ้าความปรารถนาทั้งปวงเราอิ่มแล้วตอนในโลกนะครับเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกรรมารมณ์เรื่องอะไรก็ก็เห็นเห็นแล้วว่ามัน แม้มันไม่หแหลวแหลกแต่มันก็มีสาระอะไรที่เราต้องการเป็นจริงๆมันบําบัดความกระหายความอยากได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เพิ่มความหืนกระหายหนักข้อในทุกทีเราเริ่มรู้มันแล้วเราเริ่มจับมันได้แล้วครับถ้าอย่างนั้นจุดเริ่มต้นใหม่มีอยู่ครับเ ร, เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวสดๆมีชีวิตอยู่ล้วน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 คนในหัวสมองเรามาสู่ระบบสัมผัสอาจจะสัมผัสเป็นกรณีอยู่เช่นมือโดนน้าเย็นๆนะครับหรือลมพัดหุ้มมาหรืออากาศร้อนหรือเสื้อผ้าที่สัมผัสพอเราเคลื่อนการก็สัมผัสขึ้นมาถ้าว่าเกิดการเคลื่อนย้ายสมบูริยีมาอยู่ที่ระบบสัมผัสนี้แล้วนะครับชื่อว่าเรากําลังออกติดตามรอยฝ่าประ บ, บาดของพระพุทธองค์ไปติดๆครับผมคิดว่านี่เป็นบุญกุศล บุญกุศลนี้ไม่ต้องการคํารับรองจากพระหรือจากใครเพียงนั้นเองเคยไดินเพื่อคำนี้ไหครับคนโบาณผู้เราเป็นบุญตัวเนี่ยผมมายุมากพอที่รับฟังทันคนโบราณก็อาบน้ําที่บอ่อน้ําวัดก็เ อ, อาผกมาที่บิดแห้งแล้วฟาดในแง่งเปลียงเออเป็นบุญตัวจริงๆคืเขารู้สึกตัวขึ้นมานะครับร่างกายนี้เป็นแหล่งบุญอย่าไปทําลายมันมันจะกลายเป็นบ่อกครับขอขยุติเท่านี้ครับถ้ามีคําถามก็ ดีนะครับมีคำถามมามาได้ความเพื่อนได้ความรู้แสดงความคิดเห็นนั้นเม่ไดชาร์จอะไรกันจึงเรื่องผู้ที่พยายามที่จะแต่ความคิดเนี่ยว่าไม่คิดปัญญาถึงความไม่คิดเนี่ยเป็นความสุขบางครั้งคนที่ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยเป็นคนที่คิดมากที่สุดกายเป็นคนที่คิดมากจะแสวงหาทํทำยังไงถึงไม่คิดกันจึงเรื่องปริยัตบัญญัตินั้นนะฮะ มันก็คงจะเขาเ้าใจแล้วมันาามก็หาความคามเป็นมะม่วงได้จริงหน่อแต่ท่านเป็ถึงเด็กกับผู้ใหญ่จะถามว่าใครเนี่ยรู้จริงหดืันแล้วก็อาจจะพูดว่าผู้ใหญ่จะรู้รเพราะไปปลูกแล้วมันก็เป็นต้นมอสต้นไม้ต้นมะม่ว ง, งมขึ้นต้นไซร์ขึ้นมาแต่คนทม่พูดจริงที่สุดคือเด็กขณะนั้นรู้จริงที่สุดถ้าไปคิดถึงว่าตอนอนาคตเนี่ยมันยังไม่จริงผู้ใหญ่นั้นมีญาณที่มัยังไม่เป็นความจริงแต่พูดเรื่องจริงพูดถึงสิ่งที่มันจะเป็นจริงแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จริง แต่มันก็พูดลาบากนี่การเรียนปริยัติเนี่ยผู้ที่เรียนเนี่ยคือเศคาบุคคลพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องเรียนและไม่ต้องรู้ไม่อะไรเลยเพิ่มเติมเรียนปริยัติบำเพ็ญญาปริยัติก็เพื่อให้คนฟังปริยัติเนี่ยทิ้งปริยัติให้เขารู้ปารมัตเพื่อให้เขาทิ้งปารมัตให้เขารู้สัจจะให้ทิ้งสัจจะนะครับมันก็ของแตต่างกับคนที่เรียนเล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 ตองที่ผมมีก็บอกว่าไม่มีอ๊ะบอกว่ามันไม่นั้นนะฮะไม่ต้องว่ามันไม่มีขณะที่ถึงความไม่มีมันดับไปก็บอกมันไม่มีแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีนะมันไม่มีตอนเนี้มันไม่มีนี่คือไม่ต like hmm ้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องรู้รู้ตอนนี้ขนาดนี่มันเป็นจริงจงแต่ท่านบอกว่าไม่มีไปรู้ต้องไม่มีเนี่ยแล้วบอกว่าตอนที่มันมีนะไม่คิดครับไปคิดอดีตว่ามันเคยมีแต่มันก็เป็นสัจจาอยู่ดีแต่ถ้ารู้โดยไม่คิดอะไรไม่ต้องอะไรนะฮะนี้ก็มีตอนเนี้ยมี เสียงมือในการพูดมีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่เลก็รู้เนี่คือรู้แต่ไม่ต้องคิดแต่ความว่คิดในภาษาไทยอาจารย์พิจารณาอย่างที่ว่าความจริงที่ว่าอนุแจงทุกขังที่บอกมาหายานว่าเออเนี่ยมันเป็นคําพูดนะพระเจ้าบัญญัติถ้าเห็นจริงๆริงเน่ยไม่ต้องพูดถึงอนิแจงทุกขังรัชกาเห็นแต่เกิดและดับไม่มีแล้ไม่มีนี่ไม่มีถ้ามีแต่มาขึ้นมาใหม่เราเป็นปัจจุบันไม่ใช่มีของอันแรกนะฮะตอนนี้มีอัดดับแล้วไม่มีเห็นแค่มีครับ แต่พิจารณาว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรผู้ใจเห็นประโยชน์ว่าแต่เห็นว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ต้้งจริงเนี่ยนี่เราไม่มีมันตั้งไม่อยู่เป็นทุกข์เป็นโทษจะทำไงอ่ะไมคนรยึดถือเลยจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายล้วันมีแต่ตัวรู้และวางเฉยในความรู้ไม่มีสมมุติไม่มีปัะจรมัดแม้แต่ตัวตรู้<ๆ>ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระด้วยเพราะมักกระทั้งเดียวก็ดับไม่มีอะไรเลย พี่เราไม่ต้องพูดอะไรนะฮะไม่ต้องมาไปพบไปพู้รู้ได้ใช่ไหมฮะจริงๆตอนนั้นก็รู้มันก็สงบจากนั้ไม่มีบัญญัติไม่มีตร ม, มัตถันมาอยู่ในอารมณ์ของเร า, านะครับเพราะฉะ น, นั้นมันก็เลยไม่จะพูดอะไรว่าถึงตอนนั้นใช่ไหมฮะในฝั่งผมเห็นว่านีเห็นไหฮะเห็นแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็คิดเรานึ่ครับเห็นครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยมือ บาสก์นหนึ่งครับเจ็บปวยบาสก์นนั้นเป็นเป็นผู้รู้ธรรมะผเจ้าส่งสาวกไปเยี่ยมแต่ะองค์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่สามารถปรกคารลมลงบาศก์นนั้นได้เลยตอนนน์ก็ไม่กล่าวสาริบุตรว่านี่เป็นคำพีหวานมาอย่า้วิมลเกียรติเทศสุขผมชอบมากๆในที่สุดก็มาถึงอโอโลเตสุข หรือมันจะสีผงจำไม่แม่นนะก็โตธรรมกันในเรื่องปรมาภเรื่องสมมุติอะไรเหล่านี้ในสุดวิมณีเกียรติพราษฎรนาให้พูดเรื่องพระนิพพานพระโพิสัตถ์ก็บอกว่าพระนิพพานนั้นพูดไม่ได้แต่ถึงตาวิมณเกียรติวิมณเกียรติลูกยังงั้หุบ ป, ปากนิ่งเลยคือพูดไม่ได้ก็ไม่พูด หูปากนิ่งนะะนั้นมีคำกล่าวในการเผยแผ่ธรรมชั้นสุดยอดดีครับเผยแผ่โดยการไม่พูดซึ่งความดูแล้วมันมันค่ายิลลวาดซึ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับโมหารเช่นนี้นะครับเราอาศัยแจกแจงเป็นสมมติเป็นปรมัติเพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นครับย้อนไปจริงนะเมื่อสมัยที่พระเจ้าสวนทางอุ ป, ปกาศชีวะนะครับ ท่านสอนครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ล้มเหลวต้องาเห็นด้วยผมต้องขอโทษด้วยที่ว่าพระเจ้าก็ล้มเหลวได้เหมือนกันเพราะไม่มีสมมติเลยตนะ่นั้นท่านบอกตรงๆว่าท่านคือพุทธะท่านบอกสภาวะจริงๆในฟังแต่ผู้ฟังไม่พร้อมที่จะรับครับเขาเข้าใจว่าร่างกายหน้าตาแล้วก็้าใท่านอวดอวดภูมิด้วยท่านบอกสภาวะอะไรบางอย่างซึ่งผมเชื่อต่อแต่นั้นพระเจ้าท่านเริ่มลําดับ สมมุติทสัจจะขึ้นมาเพื่อให้ตายเต้าไปเพื่อล่อดวงจิตให้ตายขึ้นไปที่นิดทีนิดแล้วเพื่อไปรู้เองครับนั้นสมมุติก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับพุทธศาสนาแบ่งสัจจะไว้สองสมมุติที่สัจจะและประมัทติสัจจะประมัทติสัจจะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจัดปัดจัดจังที่เข้าถึงด้วยตัวงตัวเองแต่สมมุตินั้นมีคนนำทางได้ครับ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 รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยญญาณเป็นที่ตกเสียงกันว่ารูปขอบเขตมนเพียงใดร่างกายนี้หรือไม่คำนิยามของท่านคือสิ่งที่เห็นด้วยจับจู๊ดพระทิศเนี่ยครับคือรูปอาคารนั้นเรือนร่างของมนุษย์คือจักรวาลทั้งหมดครับนี่นิยามที่กว้างใหญ่ตโตมหานา้ธาตุดินน้ำไฟลมในตัวเราไม่ได้แยกจากโลกและเทววัตถุในจักรวาล น, นีเลย เวทนาสัญญาสังขารยัญญาเนะครับพูดไปแล้วขันห้าคือจักรวาลทั้งหมด <Yeah. S 1> โดยการแบ่งนิยามนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนเริ่มไต่ทางความคิดไปท่านแบ่งเป็นขันห้าเพื่อพิจารณาลูกไม่มีตัวตนนะรูปกษักตริย์ไปรูปนะเวทนาก็อลาหัน์ก็ไม่มีในเวทนานะเวทนาก็ไม่เป็นอลหันนะท่านแจกขึ้นมาเพื่อที่ไม่มีตัวตนอย่อยางไรเท่านั้นนะครับเปรียบเสมือน การเอาแหไปทอดเพื่อจับปลาพอได้ปลาแล้วเราแกงปลาเราคงไม่แกงแหแน่การที่พูดกันว่าขันห้าคืออะไรถกเสียงทางวิชา ก, การเเสียวเวลาเปล่านะสิ่งสำคัญคือบางครั้งในเรื่องปฏิจจ ա สมาธิท่านจักทั้งสิบสองหรือสิบเอ็ดห่วงโซ่นะบางครั้งสามบางครั้งสองปัญหามรน่อปลาทานพอละรู้เท่านี้พอรู้ว่าสิ่งต่างนี้มันมันิง่กั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 นั้นเราไม่ควรประนามมหายานว่าเป็นพวกนอกรีดนอกร้อยผมที่ก่อนคิดอย่างนั้นจริงนะเดือนนี้ไม่เลยนะพูดดินใจ จ, จริงว่าพุทธศสนาคือหัวใจดวงยกที่เป็นลูกหัวใจนะมันแตกออกเป็นสองเสียงสอเมื่อ น, นํามาประกอบกันแล้วเขาเมื่อนานนั้นเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอยวโทษอาจารย์มหายานที่แต่งพระสูตรขึ้นใหม่บางพระสูตรลังก่าเตาสูตรแต่งให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงลงกาไป ทบปัญหากับทศกัณฐ์เลยครับฟังดูเราสะดุ้งเรื่องเอ๊ะเอากันถึงขนาดนั้นเชเลยเราจะตกใจต่อวิสีทางอันนี้นะครับลงอ่านข้อความดูเฉพาะว่าโอ้โหคําถามที่ทศกัณฐ์ถามพระเจ้าในลึกครึ้งนั้นเลยครับถึงแก่นตรงนั้นเลยครับลังกาอันตรายสุดผมผมเรียกร้องให้ให้ความเป็นธรรมแกมหายานนะครับหรือยินยานหรือเกเรว่าก็ตามเพื่อว่าเราจะได้ ให้ล้มโพล้มใส่ของพุทธศาสนาครอบคลุมนกนานาชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวไม่ใช่อีแงหรืออีกลาอย่างเงี้ยนะ น, นกเล็กนกน้อยได้พึ่งได้พินแม้จะเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสมมติต่างๆเป็นสิ่งที่ดีทัี่สุดเขาแม้จะเรื่องความเชื่อเรื่องพบชาติก็เป็นสิ่งที่คําจุนจะริยธรรมจ่าพุทธเราเชื่อว่าเราเคยพบกันแล้วเมื่อชาติก่อนกับคู่ครองของตัวยากที่ยยล้างรักกันมาตั้งหลายสิบชาติแั้น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 บางครั้งมนุษเรามาเข้าตาจนเข้าใจความจริงไม่ได้เรายังเชื่ อ, อได้เลยครับมผมเชื่อพระเจ้าจตรัสรู้จริงช่วยไม่ได้ที่ผมเชื่ออย่างนั้นนถามมาเหตุผลอะไรคูณเชื่อผมตอบไม่ได้แต่ผมโน้มใจเชื่อนี่ดูจะคล้ายล้าเหตุผลแต่มันมันเป็นความเชื่อเป็นวัตถุที่ตั้งความเชื่อนะครับเรียกว่า matter of belief ผมอยากจะเชื่อพ่อแม่รักเราจริงใครพิสูจน์ว่าไม่จริงเนาะ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 ผู้ชอบปล่าเอท่านอธิบายจิตท่านบริสุทธิก์ ก, ก็ถูกถามปัญหาก็โน้มกระถูกมปัญหาปัญหาก็แตกออกตรงนั้นแหละไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่ได้คิดอะไรทั้งวันทั้งคืนนะครับที่จริงท่านจะเคลมมันก็ได้นะว่าท่านรู้มองล่วงหน้าปร่ามเขาก็เชื่ออยู่แล้วครับแต่ท่านมีเกียรติผมว่าบรรดาศา ส, สดาทั้งหลายมีองค์หนึ่งที่เตรียมมาด้วยเกียรติยศและศักขีไม่ครอบงำเพื่อนเหมือนนั้นบางครั้งท่านสอนเขาก็ไม่เชื่อท่านบอกงั้นก็พักก่อน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 นพุทธศาสนาในกลางมันล้มไม้ซึ่ ง, งมีความหลากหลายอยู่ในตัวมนเองอย่าตกใจนะครับว่าบางนิกายสอนตรงข้ามเราต้องไต่สวนทวนความจนชัดเจนนะครับและทวนความเฉพาะที่ถิวเปลือกผิวหน้าก็ไม่ได้ครับผมมักจะได้ยินผู้ที่ศึกษาเรื่องวัตถยานตันระผิวเผินชอบด่าชอบปนามนะครับเพราะเช่นเดียวกับที่ชาวพุทธผู้ไม่รอบรู้ด่าพวกพราม์ นนที่จริงพระเจ้าท่านไม่ได้ด่าพราหมณ์ท่านสรรเสริญพราหมณ์เลทั้งท่าเรียกพระอรหันต์ท่านเป็พราหมณ์ที่แท้จริงเลยทําไม่ดังนั้นเราเราด่วนได้ไม่ได้ครับถ้าหากเราด่วนได้แล้วแยกแยะปีความเพื่อเพื่อลดเครดิตของนิกายอื่นชื่อเราขาดเมตตากรุณานี่เป็นสิ่งสําคัญและขาดมนุษยธรรมด้วยครับชาวพุทธที่ดีนั้นคือชาวพุทธที่ ผมเอ่ยขึ้นเพราะว่ามีคนมาเชักชวนให้เซ็นชื่อเรียกร้องให้ล่างรัฐธรรมนูญนะเป็นเมืองคุดเลยผมจะไม่เซ็นครับผมรู้สึกเป็นความผิดมหันต์ที่เซน็นเข้าไปผมเป็นด้วยว่าภัยศาสนานี่มีการถูกลุกลาม น, นั้นมีแต่ชาพุทธต้องรับมือด้วยวิธีทางปัญญาไม่ใช่ด้วยวิธีทางการใช้อำนาจทําอย่างนั้นไม่ได้ครับพระเจ้าโศกครั้งอดีตซึ่งเคย